พระใหม่ๆนี่นั่งพะเพียบดีๆนะให้มันคุ้นเส้นอันนี้มันยืดมันอะไรนะนัง่งคัสมาดก็ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องทำเหมือนกัการนวดตัวเองนั่นแหละนวดได้คือเปลี่ยนอะรที่บดไปท่านั้นท่านี้แต่การสร้างจังหวะเนี่ยเราจะทํามันต่อเนื่องอันนี้บางทีเราอาจจะใช้คําว่าให้กายกับใจมันอยู่ด้วยกัน อย่าให้มันหลุดแต่ในขณะเดียวกันไม่มีความรู้สึกว่าเป้าหมายของการกระทําเนี่ยหนึ่งตื้นตื้นเนี่ยคืออันดับแรกคือความม่วงอย่าให้มันเข้ามาเราต้องเห็นมันก่อนนะความรู้สึกตัวเนี่ยอยวเราดูการเคลื่อนไหวเนี่สักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นี่ยสติโยกายแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยดูตัวจิตหรือตัวธรรมอารมณ์อารมณ์ที่เกิดกับใจนี่คือความม่วง เพราความม่วงเนี่ยเราไม่ได้เจตนาจะ ง, ง่วงนะแต่มันซึมมันฮึบไปของมันเองอะ่ะมันเป็นตัวขัดขวางจิตเราไม่เป็นสมาธิที่บอกว่าฝึกสติแล้วจะเป็นสมาธิสมาธินล้วจะเกิดปัญญาเนี่ยที่มันไม่พอจะเป็นสมาธิให้เพราะมันลืมอยู่เรื่อยก็เข้าไปในความม่วงอยู่เลยเข้าไปในความปรุงแต่งอยู่เลยจริจริงชีวิตเรานี้ที่มันเป็นทุกข์เพราะมันมีความคิดนั่นแหละความคิดมันเยอะ ความคิดมันเยอะแต่ความโลภความโกรธความหลงก็มากับความคิดนั่นแหละเหมือนสนิมเกิดจากเหล็กนี่ใจก็เหมือนกันนะ่ะถ้าเรารักษาไม่เป็นมันก็เกิดกิเลสจะเป็นความโลภความโกรธความหลงที่จะไม่อยากให้มันเป็นก็พยายามขัดสีไปๆคือระลึกรู้บไปๆมากเข้ามากเข้า เกินถ้ามันคุ้นเคยกับการรู้สึกตัวเนี่ยทาจนนนต้องเป็นนิสัยอย่างที่เรามาอยู่วัดเนี่ยนิสัยมาฝึกเอาจากพระนิสัยตื่นเช้าทําไงอ่ะมาฝึกให้มันเป็นนิสัยปล่อยวางเนี่ยปล่อยวางคือปล่อยวางความคิดปล่อยวางความปรุงแต่งไม่อยู่กับปัจจุบันนะเนี่ยอยู่กับการระลึกรู้อันนี้ให้มันต่อเนื่องยใ ห, ใหมันหลุดอ่ะเนี่ย ทำบ่อยๆกายกับใจนี้มันอยู่ด้วยกันดีๆเนี่ยพลิกมือขวาก็รู้สึกยกขึ้นรู้สึกมาที่สะดือรู้สึกพลิกซ้ายรู้ยกขึ้นรู้ทับมือขวารู้เลื่อนขึ้นหน้าอกเนี่ยรู้ออกมาข้างตัวรู้วางรู้ความเลื่อนขึ้นหน้าอกออกมาตรงข้างรู้วางร คือจิตเราให้มันตามรู้กายอันเนี้ยเหมือนที่เราตามรู้ลมหายใจเข้าหายอยอกรู้ลมหายใจเพียงแต่ว่าเรามาลึกๆรู้อยู่กับอาการของร่างกายเหมือนกับเราเดินจูกลมนั่นแหละขวาซ้ายเนี่ยบางคนมันไม่รู้สึกกํา บ, บริกรรมเข้าไปด้วยก็คือภาวนาบ่นในใจไปด้วยแต่นี้ไม่แล้วลึกรู้เฉย ให้จิตรู้เนี่ยเขาเรียกว่าระ ล, ลึกรู้แต่คําบริกรรมเนี่ยมันไม่ใช่การระลึกรู้อันนั้นมันเป็นคําพูดเป็นการทําให้จิตสงบแต่ว่ามันจะไม่เกิดปัญญาปัญญาในเบื้องต้นคือปัญญารักษาใจไม่ให้ง่วงไม่ให้เหงวนี่แหละไม่ให้มานมาเมาจิตเราไปอพื้นที่ของใจนี่เหมือนกับเกินการยั่งชิงกันเนี่ยรองมานกับพุท ธ, ธพุท ธ, ธะก็คือรู้ ตื่นเบิกบานตัวรู้เนี่ยตัวพุทธะเนี่ยตัวมานี่คือตัวคิดตัวไปข้างนอกตัวกิดตัวตัณหาตัวราคะตัวเบื่อตัวไหนตัวอะไรเนี่ยกุ้มมานตัวพุทธะก็คือรู้ตื่นเบิกบานเป็นสติเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นศีลเป็นเมตตาเป็นคุณธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกตัวอนนี้มาลองทาให้ได้นะ ไม่ใช่เสียงประกอบนะไม่พูดไปด้วยเนี่ยจะไหวไหม